สิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาให้หน่ากลัวเนี่ยครับมันอยู่นานกว่าสิ่งที่มีตัวตนจริงๆแล้วก็ทรมานจิตใจคนได้มากทีเดียวสล้ววงว่าในตอนนี้ผมพูดถึงสองอย่างนะครับสิ่งที่คนกลัวนะค ว, วัตุวัตุแห่งความกลัวที่มันมีตัวตนจริงที่มีตัวตนจริงกับ ส, ส, สิ่งที่จิตสร้างสิ่งที่จิตสร้างขึ้น เช่นเสือนี่มันมีตัวตนจริงๆหรือว่างูสัตว์ที่น่ากลัวครับคนที่น่ากลัวลุกลาเบิดอะไรอะไรเนี่ยนะฮะอ่ันนี้มันเป็นวัตถุที่น่ากลัวอแต่ว่ามันสิ่งที่ที่น่ากลัวกว่านั้นหรืออยู่ยั่งยืนก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าคนสร้างขึ้นจิตมันสร้างขึ้นะสร้างขึ้นเอให้ให้น่ากลัว ท่านพอเ่ื้อก็ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คงเนื้อออกเรื่องพวกนี้เพราะว่าแต่ละคนนี่รู้สึกจะสร้างสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาครับในในใจของตัวแล้วก็สิ่งนี้มันจะอยู่นานมากครับบางคนกลัวว่าจะไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งกลัวว่าคนโน้นจะเข้าใจผิดกลัวว่าคนโน้นจะไม่รักกลัวว่าจะเงินเดือนไม่ขึ้นอ่าใช่ครับ อาจารย์เช้ขยายความนะครับกลัวอนาคตอะไรเนี่ยนะครับกลัวนวันหน้าอนาคตแกแล้วจะไม่มีคนเลี้ยงกลัวอะไรไปท่านละผัดอย่างได้จะนึกกลัวไปผมว่าเคยพูดวลยบางคนเนี่ยไปเบิกเอาทุกข์ซึ่งยังไม่มียังมาไม่ถึงเนี่ยเอามาใช้ใน ในปัจจุบันก่อนอครับเรื่องยังมาไม่ถึงเลไปวิตกไปกลัวไปอะไรแล้วอันนี้เรียกว่าไปเบิดเอาความทุกข์มาใช้ก่อนม่ใช่ก่อนเอาเอาทุกข์ที่ยังไม่มีมาคร<อ>ับทนครับผม <c oughs> อย่างนี้นี้ก็ความกลัวนี้ว่าไปแล้วมันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะครับเืียว่าส่วนดีก็ทําให้รู้จักป้องกันไว้บ้าง บางทีก็กลัวจะทำให้มีการป้องกันภัย อ, อะไราทำหนองเนี้ยนะฮะก<ช>็ะะะดีบ้างเหมือนกันมีส่วนดีบ้างเหมือนกันส่วนดีก็คืออาจจะถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะก็คือทำให้เกิดความไม่ประมาทใช่ครับใ ช, ใช่ครับจะทำให้มีการป้องกัน<ช>นะครับเช่นว่ากลัวน้ำจะท่วม<ช>ก็ช่วยกันป้องกันว่าสาเหตุของน้าท่วมหรือว่าช่วยป้องกัน กรุงเทพช่วยป้องกันในอะไรที่มันเือไปเนรท้ายน้ําท่วมมาแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็เพราะความกลัวป้องกันไว้ก่อนเพราะเคยโดนมาแล้วกลัวว่าไฟจะไหม้บ้านก็เตรียมเครื่องฉีดดับเพลิงเอาไว้ใช่ครับเตรียมเครื่องมือเตรียมน้ําเตรียมอะไรเอาไว้อ่าใช่ครับใช่ครับอาจารย์ธีระพลไปไหนครับเขาพอดีอยู่หลังใหม่ครับจะเอาก็อยู่หลังใหม่ครับอ่าฮะจินี ส่วนส่วนเสียที่ทำเชิงเสียของความกลัวก็คือว่ามันทำให้สนกเกินไปวิตกกังวลเกินไปก็เป็นภัยต่อความสุขสำราญในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทางจิตวิทยาท่านบอกว่าสิ่งที่คนกลัวเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกิดนะครับมันมันจะเกิดก็อย่างมากก็เพียงแค่สิบอร์ซแต่ที่นี้ก็อีก สิบเก้าสิเปอร์เซ็ต์นั้นเราพิจ ก, กังวลไปเปล่าๆส่วนที่คนครัวนี่ห้าสิปอร์เซ็นไม่เกิดไม่เกิดนะครับไม่เกิด <c oughs> บ, บ, บริษัทประกันอะไรต่างๆอยู่ได้กพอนเนี่ยครับครับบางคนไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ากลัวเครื่องบินตกแต่โอกาสที่เครื่องบินจะตกเขาบอกว่าแสนเที่ยวเนี่ยจะเจอเที่ยวตรงเนอ๋อครับแสนเที่ยวเลยฮะ <c oughs> แสนเที่ยวรูปพันเที่ยวเดียวผมจำไม่ได้นะครับก็ทฤษฎีก็คือลักษณะแบบนั้นนะฮะอ๋อครับครับ อันนี้สถิตินี่พวกนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าบางคนนี่ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเอยังมีนักฟุตบอลนักสืบคนหนึ่งอะฮะแต่ไปไหนก็ต้องขับรถไปเพราะแกไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไม่กล้าเพราะเครื่องบินตกครับมีมีท่านผู้ใหญ่ผมท่านหนึ่งอะฮะตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเป็นเป็นนายทหารผู้ใหญ่ท่านท่านไม่ค่อยขึ้นเครื่องบินเหมือนกันท่านท่านกว่าตก แต่ว่าถ้าไปเมืองนอกท่านก็ต้องขึ้นครับเขาแข็งใจเอาเขแข็งใจขึ้นครับแต่โอกาสที่ขึ้นเครื่องบินแล้วจะเจอเครื่องบินตกเนี่ยเพราะว่ามันโอ้โหมันน้อยใช่ไหมน้อยมากครับแต่ว่าบางคนไปไปถูกเขาที่น้อยครับบางคนก็ไปถูกเขาที่น้อยอ้าวครับก็เหมือนกับมีนิทานเล่าเรื่องอาจารย์แะก็มีผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบนะฮะครับก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจตรวจไปคนไข้กขาถามหมอว่า คุณหมอครับผมจะรอดนะครับหมอก็บอกว่ารอดคนไข้ก็ถามว่าหมอรู้ได้ไงว่าผมรอดก็บอกว่าตามทีตีแล้วโรคอย่างคุณเนี่ยสิบคนจะตายเก้าคนก็บังเอิญคุณเป็นคนที่สิบแต่หมอก็ว่าต้องรอดเลยเก่าเสือตายที่มาหาหมอเนี่ยเก้าเก้าคนเนี่ยตายไปแล้วเก้าคนแต่คุณเป็นคนที่สิบพอดีเก่า ก็แค่ความกลัวที่เกินเกินเหตุไปนะฮะมันเราวิตกกังวลเกินเหตุไปก็เป็นมันเป็นภัยกับความสุขสําราญในชีวิตประจำวันของเราครับทีนี้มองมองดูเด็กๆนะครับเด็กๆจะกลัวความมืดแล้วก็อันนี้ก็เด็กกลัวโดยโดยไม่มีเหตุผลนะครับเพราะเด็กยังไม่มีเหตุผลเก็กลัวความมืดกลัวเสียงดังแล้วก็กลัวคนที่ทําท่าทางแปลกแปลก อย่างเด็กยังแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับสิ่งที่หลอกะฮะก็เลยตรงทีนี้ถ้าเผื่อผู้ใหญ่ไปกลัวอะไรที่ไม่ควกกกครกลัวมั น, นก็ก็จะแปลว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่มากนะครับรบางคนก็กลัวฟ้าร้องเลยนะเกลัวฟ้าร้องพอฟ้าร้องเนกลัวลมแรงก็กลัวครับทีนี้ก็ความกลัวสูงสุดของสัตว์โลกนะครับก็ตือมันว่าจะกลัวตายครับ อันนีความกลัวสูงสุดท่านบอกว่าผู้ที่ไม่กลัวตายก็มีอยู่สองพวกคือพระอรหันต์กับสัตว์อาชาไนใช่ทีนี้สัตว์อชาชาไนนี่ก็อขยายแ ย, แยกออกมาเป็นสามพวกเจ้าช่างอชาชาไนมาอชาชาไนแล้วก็โคอุสุภราชโคอุสุภราชนี่ก็คือโคอชาชาไนนะฮ ะ, ฮ ะ, ะโคอชาชาไนแล้วก็บุรุษอชาชาไนมีไหมฮะ บุรุษอันชาแนก็พระอาหารหันต์อ๋อครับครับพระอาหารหันต์ไม่กลัวตายทีนี้ท่านอธิบายว่าพระอาหารหันต์เพราะว่าละสักกายอทิตถิได้แล้ว <Okay. S 2> ละอุปาทานในตัวตนได้แล้วก็เลยไม่กลัวตายทีนี้สัตว์อีกสามจำพวกนั่นตรงกันข้ามคือว่ามันมีส ก, กายอทิตถิมากมีความท่านงตนมาก ถึงไม่กลัวก็เลยไม่กลัวตายเหมือนกันมีกระเพรแต่ว่าที่สุดกับที่สุดนะก็ต้องตายที่มาที่สุดกับที่สุดไปทั้งสองทั้งสองจำพวกเนี่ยนะฮะไม่กลัวตายทั้งคู่ที่สุดกับที่สุดอพระรหันนั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่งข้างของความไม่มีสกายยทิฏฐิไม่มีสกายยทิฏฐิไม่มีอุปาทานไม่มีมานะทีนี่สัตว์สามจำพวกนั้นมันมีมาเกินไปั้ง ช้างอาชาไนช้างอาชาไนมาอาจาย์มาอาชาไนแล้วก็โผสุพระราบอันนี้ตามอัจฉริยะนะครับคครรัับบผู้ตามอัจฉริยะก็อพราะว่ามีมีสกายาทิติมากมีมานะมากครับครับก็เลยไม่กลัวตายเหมือนกันสุดขั้วไปครับสุดขั้วครับมันก็จริงแล้วถ้ดูว่าพระเส็จถึงก็เป็นอย่างไงเนี่ยนะครับพ้าบางคนที่ เอตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงแล้วมักคนเราเนี่ยเราก็สังเกตตัวคนที่ตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงมักจะไม่กลัวใครครนะแกเป็นเรียกว่าเข้าไหนอโู่ไหนเจอแล้วก็สู้สู้หมดเะยฮะครับครับตีนี้อีกคนหนึ่งคนที่ใจเล็กเป็ตัวเล็กแต่ว่าใจถึงเนี่ยบางทีก็ไม่กลัวเหมือนกันครับก็ตัวเล็กบางทีก็ไม่กลัวไม่กลัวครับผม ดังนั้นบางทีก็ต้องการจะลบผมด้อยลบผมได้ยลบผมด้อยไม่กลัวทีนี้ก็ความตายนี่มองดูแล้วความตายมันเป็นการสูญเสียชีวิตตอนาะฉนั้นคนึเป็นกลัวที่สุดก็ไหมครับสิ่งที่สัตว์โลกกลัวที่สุดก็คือความตายคล้ายๆกับว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเราอะนะสำหรับมนุษย์สำหรับสัตว์เพราะนั้นแล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อมันจะหลุดมือจากเราไปเราก็ เสียดายแล้วก็ครวัวความตายเป็นการสูญเสียชีวิ ต, ตชีวิตนั้นเป็นที่รักอของของสัตว์ทั้งหลายสัปเปสังชีวิตต่งางตียังแะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งพวงสัปเเปสังชีวิตต่างปียั ง, ยงครับอัจจานังอุปมังกตวา่าทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบแล้วนาในยะนาคาใจเยไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรให้คนอื่นฆ่ากันครับ <c oughs> ชีวิตเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเมื่อความตายเป็นการสูญเสียชีวิตสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวตายแต่ว่าชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกับความทุกข์และก็ไม่ใช่ต่างหากจากความทุกข์เสียทีเดียวชีวิตไม่ใช่สิ่งเดียวกับความทุกข์และก็ไม่ใช่ต่างหากจากความทุกข์เสีทีเดียว คือคือบางทีเราคนก็กลัวกลัวทุกข์กันนะครับกลัวทุกข์เพราะว่าความตายเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วคนก็กลัวทุกข์ก็เลยแล้วมีชีวิตอยู่แล้วก็กลัวกลัวชีวิตจะมีความทุกข์แล้วก็มันไปปักวพันกันเข้ากับความตายความตายเป็นสิ่งนามาซึ่งความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ทีนี้ชีวิตกับความทุกข์มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่ต่างหากจากกันเสียทีเดียวแต่ว่าเพราะอาศัยชีวิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นมันคล้ายๆนี่ครับอาจารย์ครับคล้ายๆเหมือนคลื่นกับน้ํานะครับคลื่นกับน้ำคลื่นกับน้ําอำคลื่นกับน้ํามันไม่ไม่ใช่อย่างเดียวกันและไม่ใช่แยกจากกันถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีคลื่นถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีคลื่นถ้ามีคลื่นก็ต้องมีน้ําครับใช่ครับ ใครับ <c oughs> แต่ว่ามีน้ําไม่มีคลื่นก็ได้ครับก็ได้ถ้าเผื่อว่าไม่มีตัวปัจัยคือลม <c oughs> ถ้าไม่มีลมเป็นปัจัยจถ้าก็ขึ้นก็ไม่มีน้ําก็คงเป็นน้ำขอยาที่เวลาเรียนปัจญาตะวันออกหรือว่าตา ก, กะก็บอกว่าที่ใดมีมีควันที่นั่นมีไฟค <c oughs> ที่ใดมีไฟที่นั่นอาจจะไม่มีควันก็ได้ครับ ใ่ครับรอ่าน <stroke S 2> ี่ก็มองดูชีวิตชีวิตมันเป็นเป็นปัจจัยธร ร, รมเป็นปัจจัยธรรมแล้วก็มีกิเลสเป็นปัจจัยแล้ปัจจัยยุปันธธรรมคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วผมผมให้ให้สามสามตัวนะครับครับคือ<ร>ปัจจัยธรรมปัจจัยธรรมปัจจัยธรรมแล้วก็ปัจจัยปัจจัยธรรมนั้นคือตัวตัวตั้งครับตัวตั้งปัจจัยนั่นคือตัวประกอบ และก็ปัจจัยุปนธธรรมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปัจเจนะข้อที่สามเหมือนกันนะปัจจยุปันธธรรมปัจจัยแล้วก็อุปันธปัจจยุปันธธรรมคือคือคือผลที่เกิดจากให้สองตัวข้างต้นนะครับครับเช่นว่าเช่นว่าน้ำน้ำเป็นปัจจัยธรรมอลมเป็นปัจจัย แล้วก็พอพรวมกันแล้วมันก็เกิดขึ้นขึ้นมาครับเป็นปัจจัยุปันธธรรมน้ำน้ำเป็นปัจจัยธรรมครับลมเป็นปัจจัยลมเป็นปัจจัยเมื่อสองอย่างผสมกันขึ้นเกิดเป็นปัจจยปัจจยุปันธธรรมอ่าใช่ครับคือผลที่เกิดจากการรวมกันระหว่างปัจจัยธรรมกับตัวปัจจัยใช่ครับครับใช่ครับนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับนะชีวิตชีวิตมันเป็นปัจจัยธรรมเป็นตัวตั้ง ีนี้กิเลสเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยพอมีกิเลสแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นความทุกข์นี่เป็นปัจจยุปันนธาธรรมชีวิตเป็นชีวิตเป็นปัจจัยยเป็นัจจัยยธรรมครับแต่เพราะกิเลสเป็นปัจจัยความทุกข์เป็นปัจจัยุปันนธาธรรมมันเกิดขึ้นตามปัจจัยครับถ้าไม่มีปัจจัยมันไม่เกิดครับ เพราะงั้นชีวิตของพระอรหันต์จริงไม่มีความทุกข์ทางใจเพราะเอ็ดที่ไม่มีปัจัยให้เกิดนะครับอันนี้ก็ไม่กลัวไม่กลัวความทุกข์แล้วก็ไม่กลัวตายเพราไม่พอไม่กลัวตายก็ไม่กลัวความทุกข์ก็ไม่กลัวการนี้ก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่าปัจใจที่จะทำไม่กลัวมันไม่มีไม่มีแลวไม่มีครับ กิเลสเป็นปัจจัยนะฮะกิเลส้เป็นปัจจัยเมื่อไม่มีกิเลสเป็นปัจจัยแล้วมันก็ไม่รู้จะไปครวญอะไรแล้วะใช่ครับใช่ครับแต่ทุกทีไอไอไ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อความทุกข์กับชีวิตนี่มันมันสัมพันธ์กันแบบสังโยกนะครับอยันครับสัมพันธ์กันแบบสังโยกไม่ใช่สัมพันธ์กันแบบสัมมาวา อ, อหมายถึงตัวตัวความทุกข์กับชีวิตนะครับชีวิตกับความทุก ครับมันสัมพันธ์กันอยู่แต่ที่นี้มันสัมพันธ์แบบสังโยกคำว่าสัมพันธ์แบบสังโยกนี่หมายความว่าแยกกันได้ครับเช่นเก้าอี้กับคนนั่งเก้าอี้ครับอ่านี่เรียกว่าสัมพันธ์กันแบบสัมพันธ์กันแบบสังโยกแต่ที่นี้ถ้าบางอย่างนี้มันสัมพันธ์กันแบบสมวายสัมพันธ์กันแบบสมวายนี่คือแยกไม่ได้เช่นว่ากิ่นกุหลาบกับดอกกุหลาบครับอ่า เลือดกับเนื้ออันนี้มันแยกไม่ได้คือเจาะเข้าไปตรงไหนก็เจอเลือดคเจอเนื้อเจาะเนื้อเข้าไปตรงไหนก็เจอเลือดทุกแห่งเล ย, เยแม้จะตัดเนื้อออกมาก็ติดเลือดออกมาด้วยสัมพันธ์แบบอะไรนะฮะสมมวยัมว ย, มวยครับสมมวัยสมมาวัยครับสมมาวายะนะะอ๋อครับครับสมมาวายะสัมพันธ์แบบสมมารับออันนี้อันนี้จะว่ า, าสัมพันธ์แบบ ไม่แยกจากกันครับมันอยู่ด้วยกันแบบสังยอกนี่แบบแยกกันาแยกกันได้เจอเจอเก้าอี้อาจจะไม่เจอคนนั่งก็ได้ใช่ครับเจอคนอาจจะไม่เจอเก้าอี้ก็ได้ครับใช่ครั บ, อ, รบ อ, อันนี้เคอได้ว่า วิกวัควา ม, มาบบทากุกสัมพันธ์กันแบบสังโยกอ่าสัมพันธ์กันแบบสังโยกอันนี้ในกรณีที่สัมพันธ์กันแบบสัมวายะนี่เคยเคยปุถุชนเออเ อ, เอันแรกคื อ, ร อ, อพระอรหันต์อ่าพระอรหันต์นั้นท่านแยกได้ <Answer. S 1> อ่าแต่ว่าปุถุชนนี่สัมพันธ์กันแบบชีวิตของปุถุชนนี่สัมพันธ์กันเหมือนกับถ้าเผื่อ ถ, ถ้าเผื่อวางใจไม่เป็นนะนะอ่าถ้าสัมพันธ์เป็นการสัมพันธ์แบบสัมวายะสัมวายหรือไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเนื้อกับเลือด <ช>เจอเลือดก็ต้องเห็นเนื้อแหละเห็นเนื้อก็ต้องเห็นเลือดใช่ครับครั บ, รบผมอันนี้ไปได้วยกันเลยเหมือเหมือนเหมื<พ>อนดอกกุหลาบกับกลิ่นกุหลาบนะครับอเราจะเอาเฉพาะกลิ่นของกุหลาบมาโดยวิธีธรรมดานะครับไม่ใช่วิธีทางวิทยาศาสตร์หรือว่าอวิธีธรรมดาเนี่ยเราจะดอกกุหลาบมันก็ต้องมีทั้งกลิน่นทั้งดอกมันครับอยู่ด้วยกัน มันจะไปบอกว่าเอาแต่ดอกไม่เอากลิ่นด้วยมันก็ไม่ได้นะไม่ได้กลิ่นมันอยู่ที่ดอกใช่หรือว่าจะเอากลิ่นโดยไม่เอาดอกก็ไม่ได้เพราะว่าดอกมันก็มันสร้างกลิ่นมันสัมพันธ์กันโยมแบบพันธ์กันทำเอาไวครับอันนี้ชีวิตของคารวาสเนี่ยของคนปุทธชนเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะชีวิตกับความทุกข์เนี่ยมันก็ครจะต้องสัมพันธ์กันไปอย่างเงี้ยส่วนมากครัส่วนมากส่วนมากแต่ทํายังไงก็ต้องให้รู้ตามความเป็นจริง ถ้ารู้ตองคำเป็นจริงแล้วก็เดินตามรอยของพระอริยะครับแล้วเดินตามรอยของพระอาหารหันนี้ทุกจะน้อยลงถึงจะมีอยู่บ้างแต่จะน้อยลงอย่างที่ท่านอาจารย์บล็อกว่าวิปัสสนาเนี่ยนะฮะลูกใคระจะด่าแล้วก็น่าจะเป็นลูกเป็นนา้ำลกกระทบน้ำน้ำกระทบลกก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนเราขาวล้วว่ากับว่าไปอย่างนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะ ทำใจได้นะฮะทำให้ลดลงทำให้ลดลงทำให้ลดล ง, ท ำ, ลดลงทำให้ความทุกข์ลดลงมาครับก็้มีคนทางานเมื่อก่อนนะหลายปีไปแล้วก็มหาวโรกกับผมก็เอาเรื่องไปเสนอให้นายเซ็นนายเ้าก็ไม่เซ็นโยนแฟ้มใส่หน้าเลยเร็จเลบอกว่าไอ้ควาย แต่ก็แแบควายมาออกจากห้องนายมาฮะไปบ้างนแกก็เอาควายไปด้วย <laughs> ไปนอนอยังไงแกก็นอนกับควายอ๋อมาที่ทํางานก็ยังแบบควายไปอีกก็มาบนบอกแม่ครับนายว่าผมเจ็บเลยเมื่อวานว่าไอ้ควายครับ <laughs> อันนี้เรียกว่าเลือด ก, กับเนื้อเลยนะฮะเลือด ก, กับเนื้อเลยจะไม่ไม่รู้จักแยกไม่รู้จักแยกครัใช่ ตอนนี้ก็ปัญหาต่อไปนะครับว่าจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรเอาชนะความกลัวได้อย่างไรทีนี้ในในหัวข้อนี้บอกว่าเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญใช่ไหมครับด้วยความกล้าหาญทีนี้พูดอย่างนี้พูดง่ายว่าเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญแต่ทีนี้ถ้าเขาจะถามว่าทำอย่างไรจึงจะกล้าหาญอ๋อครับอันนี้สาคัญ ตอบตอบง่ายฮะตอบว่าเขากลัวเขากลัวนี่ทําไงเอาอุนกล้าสิคุณก็กล้าหาันที่ปัญหาต่อไปจะทําอย่างไรจึงจะกล้าหานอันนี้ผมอขอให้หลักเอาไว้สันส้นๆย้อนนะฮะครับอประการที่หนึ่งคือว่าสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยึดไว้เป็นที่พึ่งสร้างความเชื่อมั่นหาสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยึดไว้เป็นที่พึ่ง เป็นว่าความดีเช่นว่าคุณความดีจะคุ้มครองเราครับเพราะเรายึดความดีไว้เป็นที่พึ่งใช่ไหมฮ ะ, ะก็ให้มั่นใจว่าคุณความดีจะคุ้มครองเราครับอตอนนี้ตอนนี้ก็ผมฟังฟังดูก็มีคนเป็นวงวอาจารย์อยู่หลายหลายคนที่ที่โทเข้ามาครับทีนี้ก็ถ้า คงยว่าอาจารย์ก็มีความเชื่อมั่นว่าความดีจะคุ้มครองครับเพราะฉะนั้นก็ความกล้าก็เกิดขึ้นครับือว่าเี่ยไม่ไม่กลัวแต่ความกล้าที่จะทําความดีอะไรต่งางๆจะทําสิ่งที่คนทําก็เกิดขึ้นสร้างคนสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยึดกลายเป็นที่พึ่งครับถ้ายึดใครที่เห็นอะไรเป็นที่พึ่งได้ยึดสิ่งนั้นเอาไว้ครับ ยดมันทําให้เกิดความกล้าได้ใช่ครับอย่างทหารที่ไปรอบในสระมุมต่างๆบางคนนี่พบพระเป็นทันทองค์เลยโอ้อย่างนี้ถือว่ายึดยึดมั่นในสิ่งที่อที่คิดว่าเป็นที่พึ่งทีคิดว่าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าที่พึ่งได้ที่เขาคิดว่าเป็นที่พึ่งที่ครับคิดว่าเป็นทิพย์พึ่งนะฮะบบางทีก็ออกพระหล่นไปแล้วจับเขียดเข้าไปอออมเข้าไปในปากก็ก็เขียดก็ดิ้นใช่ไหม แสดงลิ์เต็มขังตังเลยขั้สู้ลบเลยไม่ถอยเลยใช่ได้ชนะกลับมาด้วยครับอย่างนี้เรียกว่าสร้างความความมั่นใจในสิ่งที่สร้างความสร้างความเชื่อมั่นในในสิ่งที่ยึดเอาไว้สร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ยึดติดที่สุดครับแล้วก็ประการที่สองนะครับอาจารย์ครับคือว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่กลัว อกลัวสิ่งใดก็อยากคิดถึงสิ่งนั้นแต่ว่าให้นึกสิ่งอื่นให้นึกถึงสิ่งอื่นหรือว่าสรงใจไปที่อื่นเสียครับเอถือว่าเมื่อกําลังนึกถึงสิ่งอื่นมันทีไอความกลัวนึกไม่นึกถึงสิ่งที่กลัวยกตัวอย่างนะะเช่นคนขับรถไม่เป็นอขับรถไม่เป็นขับงูปลาก็เป็นบ้างอ่ะแต่ว่าไม่กล้าขับไม่เคยกล้าขับรถแต่ว่าพอเข้าที่ขับขันเราวันหนึ่งลูกป่วยครับ ไม่มีใครอยู่เลยต้องส่งโรงพยาบาลทันทีเกิดขับรถได้ขึ้นมาครับนะฮะพอเวลานั้นไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วไม่ได้กลัวอะไรนะเนื่องแต่ว่า ท, ทํายังไงถึงจะส่งลูกไปโรงพยาบาลทันแต่ทีนี้ขากลับขับไม่ได้ขาก็ไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าวิ่งวิ่งนี้หมาวิ่งนี้เสือขึ้นไปอยู่บนยอดไทย ครับไม่ลู้ขึ้นไม่ได้ยังไงพอเสือไปแล้วลงไม่ได้ครับมันวิ่งวิ่งหนีตำรวจเข้าไปในกอไผ่ก็มีะพอทั้งหมดไปแล้วออกไม่ได้ยังเจอตอนนั้นไม่คิดถึงสิ่งที่กลัวคิดถึงแต่ว่าทํายังไงถึงจะให้ตัวเอาใจไปไว้ที่อื่นครับก็เหมือนอย่คนที่ประสบกับไฟไหม้นะะครับบางทีก็แบกยกตู้มาคนเดียวเลย พอไปสงบแล้วยกตู้กลับไม่ได้คนเดียวครับยกไม่ไห ว, าไไหวสามคนยังไม่ไหวสามคนจะไม่ไหวครไอันนี้ก็ถือว่าเอไปนึกถึงสิง่งที่เอที่มันมีความมั่นใจมากกว่ า, าเวลานั้นเวลานั้นไม่นึกถึงสิ่งที่กลัวแต่ว่ามันใจมันไปนึกถึงสิ่งอื่นครับแต่ว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคนที่กลัวผีนะครับกลัวผีไม่กล้าเดินผ่านป่ า, าช้าแต่ที่นี่ เกิดไปรักผู้หญิงขึ้นมาแล้วทางที่ไปบ้านคนรักจะต้องผ่านป่าช้าฮการเดินนะฮะการเดินไปมาทุกคืนนะฮะไปมาทุกคืนเพราะว่าใจมันไปนึกอยู่ที่คนโน้นไม่ได้นึกถึงผีแล้วะไม่ได้นึกถึงผีไม่ตัวละคนรักมันใหญ่กว่าผีแล้ะในใต้ชักกระสูตรนะครับอาจารย์ครับในใต้ชักกระสูตรนี่พระพุทธเจ้าท่านก็จะถึงกระสู ทิศอยู่ป่าแล้วก็กลัวท่านก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับ เ, เคยเล่าเล่าถึงเทวาสุราสงครามว่ามี เ, เทพกับพรสูนรบกันแล้วเท่าสักกะท่านก็ให้ดูธงใชชักฆ่ายอดธงนะให้ดูยอดธงไว้เป็นกำลังใจดูยอดธง ไอ้เขาก็ดูยอดธงแล้เขาก็ไม่กลัวเอถ้ายังคงยังปักอยู่ก็แสดงว่ายังอยู่เจ้าของยังอยู่เจ้านายยังอยู่ครับครับทีนี้ก็ชันใดชันใดพุทเจ้าท่านก็บอกว่าภิสูุทั้งหลายก็ถ้าเกิดความกลัวขึ้นก็ให้ละลึกถึงพระพุทธคุณถ้ายังไม่หายก็ละลึกถึงพระธรรมคุณยังไม่หายก็ละลึกถึงพระสังคคุณนี่ก็อาจจะหายกลัวครับอันนั้นก็คือเอาใจไปไว้ที่ ไม่ไว้ที่ผีหรือไม่ไว้ที่ความกลัวเอาส่งใจไปที่อืน่นเลครับส่งใจไปที่อืน่นให้มีอะไรยึดเอาไว้เป็นอารมณ์ครับผมแต่ชักกระสุนข้อความในแต่ชักกระสนี่เขาดีเกี่ยวกับเรื่องความกลัวนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประการที่สามก็คือว่าฝึกลงไปตรงๆเลยคือในความว่ากล้าไปเจอหน้ากับสิ่งที่กลัวครับ <c oughs> กล้าไปเชิญกล้าไปเชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวนั่นเลยหรือว่าเที่ที่เขาบอกว่าเสือดุให้เข้าใกล้อะไรนี่นะแต่ว่ากล้าไปเชิญหน้าเลยอยู่คนไหนดุเข้าใกล้เข้าไปเลยครับบางคนนี่ไม่กล้าเข้าใกล้คนดุพอเข้าใกล้ท่านก็ไม่ดุยิ่งอยู่ไกลยิ่งดุใช่ครับแต่เจ้านายบางคนก็เหมือนเหมือนกับพระอาทิตย์นะนอาจรย์คับ เจ้านายบางคนเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์อยู่ใกล้ร้อนออยู่ห่างไปความร้อนไม่ถึงต้องอยู่พอดีพดีพออุ่นอุ่นครับเอาพออุ่นนะเอาพออุ่น อ, อ, อุ่นถ้า <c oughs> ใกล้นะก็ร้อนร้อนเนี่ยไหมเลยถ้าอยู่ห่างไกลก็เย็นไปไม่ได้ความอุ่นอะไรเลยก็ อ, อยู่กันพอดีพอดี<ๆ>เอาพอได้รับไออุ่น ใช่ครับมันลักษณะนั้นจริงๆครับครับแต่บางคนนายบางคนก็เข้าใกล้แล้วก็เย็นครับฮะยเย็นไปหลายวันแต่เงั้นก็มีครับพูดถึงเสือเมื่อกี้จัดนะเสือนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษมันจะกระโดดสวนทางกับปืนที่ยิงมาครับไปหาต้นต่อของลูกปืนฮะฮหาต้นต่อของลูกปืนแต่ทีนี้ไอ้สุนัขนี่มันจะกัดปลายไม้ที่แย่มันครับ เอาไม้จะแยมจะกัดลายไม้ถ้าเป็นเสือนี่มันจะกระโดดคนแย่จะโดดกัดคนแย่นะะครับมันจะไม่กัดไม้ไม่กัดไม้มันห ม, มาสุนัข น, นี่ไม่พุ่งตัวเข้ากัดคนที่ไปแย่มันอันนี้ก็มองดูแล้วก็เห็น เ, เห็นข้อแตกต่างระหว่างสัสตว์สองประเทศนี้นะฮะในการแก้ปัญหาครับแล้วก็มาเทียบดูกับคน คนโง่กับคนฉลาดนะครับอาจารครับในการแก้ปัญหาคนฉลาดจะแก้ไขไปที่ต้นต่อเลยทีเดียวครับเหมือนกับเสือกระโดดเข้ามา อ, อ<น>ต้นต่อของลูก ป, ปืนครับอะไม่ไม่ไม่ไม่รีรอแต่ว่าคนโง่นเนี่ยจะแกบที่ปลายเหตุครับเหมือนกับสุนัขที่อถูก<า>แก่ถูกแยะแล้วก็ไปกัดปลายไม้ครับกัดเจดี่ปลายไม้ <c oughs> อันนี้ถ้าพูดถึงเสือเด็กกี้เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็พเข้าอริยสัจสี่เลยทีเดีอาจารย์ครับตอนนี้ก็มาเข้าอริยสัจเลยก็คือว่าเมื่อเห็นทุกข์ก็ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของทุกข์ครับครับนี่ปัญหาอะไรก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาครับเกิมัวแต่แก้ปลายอยู่มันไม่ได้ใช่ไหมครับถสมมติว่าอลูกไม่ไปโรงเรียน ก็จะไปจับตีแค่นั้นก็คงจะไม่พอเพราะมันแก้ที่ฝ่ายเหตุอ่าใแล้วต้องไปดูว่าที่ลูกไม่ไปโรงเรียนนั้นเหตุมันมากันมีเหตุมาจากอะไรครับอาจจะเด็กไปติดการพนานหรือว่าไม่ชอบครูครูสอนไม่ดีอะไรมันหลายสาเหตุหรือว่าหือว่าเรารู้สึกร้อนเพราะว่ามันมีกองไฟใหญ่อยู่ใกล้ๆครับแต่ก็เสร็จแล้วเราก็เอาน้ามาราชอยู่ที่ในอ่างรับราดเท่าไหร่เท่าไหร่ความร้อนมันก็ไม่ลดลง เพราะว่าไม่ไปราดที่ต้นต่อของมันแต่ถ้าเอาน้ําไปราดที่กองไฟก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็เย็ดครันมันก็ทํานองนั้นครับการแก้ปัญหาบางอย่างก็ก็เตรียรรมสถาหาสําคัญเล น, นะฮะว่าเราไปแก้แล้วไม่ไปแก้ที่ต้นต่อไม่ไปแก้ที่จุดกําเนิดันแล้วมันก็มันก็ลงตุงนังนะแก้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาอี ก, ก, ก, กใช่ใช่ใช่ใช่ครับเแต่ ถ, ถ้าถอนตอน้นอุจจตพิธิทิ้งมันกลิ่นมันก็หายไปครับ แต่ตรงนี้ม่วถ้าเรามัวแต่เอากินยมมก อ, อย่างอื่นมากรบไอ้ต้นนีแตพิษมันยังอยู่แต่ถก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเราแรงซ้ำซากเนี่ยแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้เงินไปขุดบ่อน้ําคำขุดไปขุดไปก็มันก็ไม่มีน้ําอ่ะเราก็มีแต่บ่อเพราะว่าไปแก้ที่เอไปแก้ที่ตายเหตุหมันไม่ไปแก้ที่ตรงที่จะจะเอาเหตุไปสร้ากให้มันเกิดน้ําขึ้นมามันไม่มี ครับถนะ้ไปขุดบ่ออย่างเงแถวแถวบ้ า, านโบน่ะบ่อเต็มเลยแต่ปรากฏว่ามีแต่ต บ, บ่อไม่มีน้ําครับก<อ>็ราะฝนมันไม่ตกอะ่ะเพราะมันแห้งแล้งต้นไม้ต้นไร่มันก็ไม่มีครับอันนี้ไม่เป็นไม่ได้ไปแก้ที่เหตุครั บ, บแต่ก็ต่อนะครับท่านอาจารย์ก็ข้ขอสองข้อหนึ่งข้อสองข้อสามฝึกตรงตรงก <ผม S 2> ้าวเชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวผมขอต่อ